ย้อนกลับมาในอัตกะถาตามเดิมเนี่ยนะที่บอกว่ารากเงา่าที่ทำให้คนโง่ทั้งหลายคนโง่ก็คือคนเขา่าคนที่มากไปด้วยอวิชชาเนี่ยนะเขาไม่สามารถออกจากภพไปได้ภพที่กล่าวถึงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการมาพบรูปประพบและอะรูปประพบการมาพบหมายถึงอะไรหมายถึง กรรมมพบและอุปปัตติพบกรรมมาพบหมายถึงกุศลเจตนาและอก ah ุศลเจตนากรรมะนะกรรมที่เป็นเหตุสร้างพบอะกรรมที่เป็นเหตุสร้างกรรมมาพบคืออะไรก็คืออกุศลเจตนาทั้งหลายมหากุศลเจตนาทั้งหลายเป็นกรรมที่สร้างพบงนะอกุศลเจตนา12ก็คือกายกรรมวิีกรรมและ มโนกรรมหรือกุศลเจตนา12คิดง่ายๆก็คือกุศลกรรมบท10และอกุศลกรรมบทสิบนั่นแหละเป็นตัวที่สร้างกรรมภพคือเป็นตัวกรรมภพที่เป็นตัวสร้างภพเพราะผลผลิตของการทํากรรมอันนั้นก็คือวิบากกับกรรมชรูปที่เป็นตายในในนรกเปรตอสุรกายเดรชานมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นภพสามเนี่ยนะคำว่าภพหมายถึงทั้งกรรมและวิบากที่เกิดจากกรรมทั้งหลายในภพเนี่ยนะเลยชื่อว่ากรรมภพนั้นคําว่ากรรมมาภพรวมทั้งกรรมที่ทําให้มีภพและผลผลิตคืออุปัติภพรูปประภพหมายถึงกรรมที่ทําให้เกิดในรูปประภพและวิบากกรรมมาสรูปในรูปประภพอรูปประภพนั้นหมายถึงเจตนานายัยอรูปฌานทําให้เกิดวิบากใน อรูปภปพทั้งหลายเพราะนั้นคำว่าภพเนี่ยหมายถึงว่าภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติอัน น, นกรรมมาภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเนี่ยนะก็ชาติไรชาติในการมาภพรูปภปพหรือรู ป, ปรเจตนาเนี่ยนะรูปประสันเจตนาเนี่ยหรือปุญญาพิสังขารพวกนี้ก็ทําให้เกิดในรูปภพนะนันก็ภพและเหตุให้เกิดภพทีนี้ถามว่า แล้วการเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปเนี่ยนะจะมีได้อย่างไรคือหมายคำว่าเช่นทิ้งอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วก็ถือเอาอบายทุกติวินิบาตนรกต่อไปหรืออย่างมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทิ้งขันอายตนะธาตุทิ้งพบชาติชาตินี้แล้วก็ถือเอาพบใหม่เนี่ยนะเรียกว่าทิ้งกายนี้แล้วถือเอากายใหม่ทิ้งตาหูจมูกลิลนกายนี้แล้วถือเอาตาหูจมูกลิลนกายใจใหม่ ทิ้งจุติอันนี้แล้วก็ถือปฏิสนธิเชื่อมต่อไปใหม่เนี่ยนะเหมือนกับว่าอมตะเนี่ยนะเหมือนเป็นอมตะแต่จริงๆอ่ะเป็นแค่ว่าตายอมตะก็ได้ น, นะเป็นการตายที่ตายซ้ซําๆซักๆไม่มีจบมีสิน้นนะไหลไปสู่พบใหม่เรื่อยๆต่อไปอย่างนี้ยมันไม่จบไม่สิ้นในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าความทุกข์ไหลเข้ามาเหมือนคลื่นอะไรเงี้ยนะทุกข์นึ่งระลอกคลื่นคลื่นในทะเลนะ คลื่นหนึ่งผ่านไปคลื่นเข้าใหม่ก็โทมเข้ามาอันนะั้คลื่นเก่าผ่านไปคลื่นใหม่ก็โทมเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในอย่างเงี้ยคลื่นแห่งความทุกข์ที่สืบเน อ, อสืบต่อมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยไอเหตุที่ทําให้ความทุกข์ทั้งหลายไหลสืบต่อเป็นทอดเป็นทอดมานั่นนะคืออะไรท่านก็บอกว่าเหตุที่ทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็คือ ความยินดีในรูปความยินดีในเสียงความยินดีในกลิ่นความยินดีในรสความยินดีในโพธพภะความยินดีในธรรมมรมทั้งหลายก็คือความเพลิดเพลินยินดีอย่างยิ่งในสิ่งนั้นนั้นความเพลิดเพลินยินดีอย่างยิ่งในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะทั้งหลายสิ่งเหล่านี้แหละคือเหตุที่ทําให้เกิดในภพใหม่เพราะอะไรเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่อง ก, กัน้นนะอวิชชาความเศร้ามองเป็นนิวร์ปกปิดทําให้ไหม่คือมันเหมือนกับว่าอะไรเป็นคนเมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะถ้าเป็นคนไข้ก็ขไข้ไม่สางไม่ซาสักทีหนึ่งไข้กําเริบตลอดเวลาอันนิวรเนี่ยมันเป็นเหมือนไข้ใจเนี่ยนะเป็นเครื่องที่เกียรติกั้นทําให้ใจเนี่ยมืด บอดแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นไปกับไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นไม่สนใจไม่อะไรคิดง่ายๆก็เหมือนคนง่วงอ่ะนี่วอเนี่ยทีนมิทะเนี่ยนะไอ้ทีนมิทะมันง่วงง่วงไม่พรอมบวกความโง่เข้าไปอีกเนี่ยนะง่วงบวกโง่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทั้งโง่ด้วยง่วงด้วยไอ้ปรง่วงนี่มันก็หนักสาหัสอยู่แล้วคนฉลาดถ้าต่อให้ง่วงนะถ้าไม่แม้คนฉลาดฉลาดเนี่ยถ้าก็ง่วงไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ไวรัสขึ้นเต็มไปหมดแล้วเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ ฉั้นใดก็ดีพวกพวกจิตทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าอวิชชาเนี่ยมันครอบงำมันเกียรติมันกันมันบังอนะไม่ต้องรับรู้ไม่ไม่รับรู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ยินไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นปิดหมดอีกแล้วตันหาบอกเลยชั้นเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่เห็นต้องขวนขวายอะไรอย่างอื่นเลยตันหาบอกก็เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธิภาพทั้งหลายก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอวิชชาก็ปกปิดไม่ให้เห็นโทษ ปกปิดไม่ให้เห็นกรรมและผลของกรรมตันหาก็เพลิดเพลินยิ่งนักเนี่ยนะมันจะไปไหนเนี่ยนะก็กายกรรมก็ยิ่งเจริญขึ้นวัจีกรรมก็ยิ่งเจริญขึ้นมโนกรรมก็ยิ่งเจริญขึ้นไม่เบื่อไม่หน่ายเลยว่างั้นนะเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินอวิชากับตันหานี่แหละเป็นตัวสร้างคลื่นแห่งวัตทุกเนี่ยนะสร้างคลื่นแห่งทุกขทิพย์ เป็นกระแสเป็นระลอกระลอกไม่มีจบมีสิ้นพันายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีอวิชาเป็นเครื่องกางก้านมีตัญหาเป็นสังโยชน์ประกอบเอาไว้ทำให้ไหลวนไปในวัตฏะเนี่ยนะจากคำถามคำตอบเนี่ยเป็นการกล่าวทั้งวัตฏะความเป็นไปในวัตฏะเหตุให้เกิดวัดตฏะอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าอย่างบอกว่าอย่างคาถาม ที่บอกว่าภพคืออะไรภพมีเท่าไหร่ก็ภพก็คือวิบากกรรมชรูปและกรรมที่ทำให้เกิดวิบากกรรมชรูปและภพมีเท่าไหร่ภพก็คือกรรมาพบรูปประพบและอารูประพบแล้วเหตุที่ทำให้เกิดภพล่ะก็คืออวิชากับภาวะตัณหาทีนี้คำพูดเท่านี้เนี่ยนะเท่ากับกล่าวปฏิจจสมุปบาทอย่างเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นภพการเกิดครั้งแรกในภพเรียกว่าชาติ อย่างเช่นชาติอาบายทุกติวินิบาตนรกมนุษย์เทวดาทั้งหลายที่เกลือกกล้วไปด้วยชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตานั้นกรรมมาพบเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีชาติและพบมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาทานอุปาทานก็มีมีอวิฏันหาตันหาก็มาจากเวทนาเวทนามาจากไหนมาจากพัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากไหนก็มาจากกรรม พันต like. ัมทั้งหลายเป็นต <ities> ้นน <derivatives> ั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดตาหูจมูกลิ่นกายใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ่นกายใจก็มาเพลิดเพลินยินดีทำกรรมด้วยกายวาจาใจแล้วจะไปไหนก็ไปสู่ชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมานะแลอุปายาตในกรรมมพทีนี้บางพวกเห็นโทษในกรรมพบก็ปฏิบัติเพื่อก้าวล่วงกรรมมพก็เจริญรูปประชามทั้งหลายจนได้ รูปประพทีนี้พวกที่เห็นโทษของกรรมมาพบรูปประพบน้อมไปก้าวล่วงกามรมมาพบรูปประพบก็สําเร็จในอารูปประพบทีนี้ก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินในในอารูปประพบอีกก็าบอกโอ้ยไม่น่าเพลิดเพลินเลยเนี่ยนะบางคนก็บอกโอ๊ยมันเพลิดเพลินได้ยังไงมีแต่นามมีความสุขได้ยังไง โอ้ oh, ดอกไม้เฉาเฉเรายังติดเลยจะองพูดไปอะไรระดับอรูปฌานอะไรแนั้นนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ oh, ติดได้ยังไง <M ain> ไม่น่าจะติดไม่น่าจะคล่องเลยบางทีเราก็ติดไม่กี่บาทนะซื้อดอกไม้ก็ได้ไม่กี่ดอกนะแค่นั้นก็ยังติดเลยจะไม่ต้องพูดไปถึงระดับ of, รูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะโดยเฉพาะรูปประพบเนี่ยค่าของกรรมมรรคทั้งหมดไม่ได้เศษเสี้ยวของรูปประพบความสุขในรูปประพบเนี่ยนะมันไม่ได้เศษเสี้ยวในอรูปประพบมันจะน่าติดขนาดไหนเนี่ยนะ มันจะน่าติดขนาดไหนพันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเบื้องแรกเขาติดในรูปก็ถือว่าหยาบมากนะติดในรูปเสียงเกลื่นรถโพธาภะก็นับว่าหยาบถ้าติดในรูปประจานารูปปัจจานก็ละเอียดขึ้นมาอีกเขาบอกว่าติดในอารูปปัจจานนี่ถือว่าละเอียดมากเป็นความยึดติดที่ละเอียดมากติดในสมถะทั้งหลายติดในความสงบติดในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเป็นความติดที่ที่ประณีตละเอียดลึกซึ้งซึ่งละยากมากเนีนะละยากเพราะฉะนั้น ไอ้ที่มันละกามมพบรูปประพบอรูปประพบไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะอาวิชากับตันหาที่เพลิดเพลินในการมาพบรูปประพบและอรูปประพบความเพลิดเพลินในรูปประพบอรูปประพบนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่องไปในวัตฏะเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจบมีสิ้นจึงมีการมามาด้วยไรปฏิสนธิไปด้วยจุติแล้วก็ปฏิสนธิเวียนวนอย่างนี้ไม่ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า คลื่นแล้วคลื่นเล่านะเหมือนในทะเลเนี่ยนะนั่งนับคลื่นให้มันหมดเนี่ยหมดได้ไหมเดี๋ยวเรานั่งนับคลื่นไปเรื่อยๆดูซิว่าคลื่นมันจะหมดเมื่อไหร่ทะเลแห่งทุกข์ทั้งหลายทะเลแห่งน้ําตาทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็พ้นทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็พ้นทุกข์นั่งรอไปเรื่อยๆแล้วจะดับทุกข์นั่งรอไปเรื่อยๆแล้วจะพ้นทุกข์ไม่มีรอ ok. อันนี้เป็นโลกของมิจฉาทิฏฐิบุคคลคิดขึ้นว่ารอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พ้นทุกข์เดี๋ยวจากสบายเดี๋ยวจากดีขึ้นเนี่ยนะ เพราะว่าวิธีการพ้นจากพบดับพบได้มันต้องมีข้อปฏิบัติที่เรียกว่าภาวะนิโรธคามิมนีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากพบข้อปฏิบัติเพื่อความดับพบทั้งหลายไม่ใช่แบบเหตุคลื่นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็บอกว่าคลื่นทั้งหลายเนี่ยเมื่อกระทบฝังเนี่ยมันก็หมดจริงอ่ะนะแต่คลื่นมันกระทบฝังครั้งเดียวแล้วก็หมดเลยใช่ห ไม่คลื่นแห่งชาติชรามรณะจริงอยู่ทุกภพชาติมันจบที่ความตายเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งนั่นแหละมันก็จบอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะนะทุกภพชาติแต่คลื่นมันมีคลื่นเดียวหรือที่มากระทบฝัง่งไม่ทุกครั้งทุกครั้งวันคืนผ่านไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกภพทุกชาติก็คือคลื่นที่มากระทบฝังเนี่ยนะคลื่นดีมั่งคลื่นร้ายมั่งคลื่นสงบมับ่งไม่สงบมั่งแต่ว่าทั้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือจบที่ชราแมะ มรณะเนี่ยนะกระแสะคลื่นทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะเหตุที่ทําไม่มีคลื่นกับเหตุอันนั้นก็คืออวิชชาถ้าไม่มีมรรคปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกครั้งเนี่ยคือการสร้างกระแสะคลื่นเพราะฉะนั้นถ้าทําตัวโง่งๆเคลาๆยิ่งทําตัวไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะซึมๆเซ้อๆนั่นแหละคือการสร้างภพบแบบชนิดที่เรียกว่าไม่รู้ตัวก็วบอกว่าวิธีสร้างภพคุณทํำยังไงบอกคุณทําอย่างที่คุณทําโดยปกตินั่นแหละ นั่นแหละวิธีสร้างภพพูดอย่างที่คุณเคยพูดทำอย่างที่คุณชอบทานั่นแหละพูดอย่างที่คุณชอบพูดคิดอย่างที่คุณชอบคิดหลับตามการกืนตามการกินดื่มเคี้ยวรลิ่มไปวันวันหนึ่งเดี๋ยวนั่นแหละวิธีสร้างภพละ่ะและเป็นการสร้างชนิดถาวรด้วยนะสร้างชนิดถาวรที่ไม่มีเรียกว่าออกไม่ได้อย่างแน่นอนยืนยันได้เลยรับรองได้เลยว่าไม่สามารถพ้นทุกข์มัน อาการที่เราไม่พ้นทุกบอกว่าทำไงก็ทำอย่างที่เคยทำนั่นแหละเคยทำอะไรก็ทำต่อไปเธอแต่ถ้าหากว่าถามว่าถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ล่ะแล้วคนที่เขาพ้นทุกเขาทำอะไรผ้าเรียเจ้าทั้งหลายท่านทำอะไรเนี่ยนะท่านปฏิบัติอย่างไรกายของท่านเป็นอย่างไรวจีของท่านเป็นอย่างไรมโนของท่านเป็นอย่างไรสติปัญญาของท่านเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติตามเจริญรอยตามท่านได้เราก็พ้นได้ แต่ถ้าขณะใดทําตามท่านขณะนั้นชื่อว่าการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ขณะไหนเราไม่ได้ทําตามท่านเลยเราทําอย่างที่เราอยากทำเนี่ยนะขณะนั้นเราก็เป็นการสร้างทุกข์เพรา ะ, ะวิธีการก็หลักการก็ง่ายๆว่าถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นตัวอย่างในใจของเราเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แต่เมื่อไรที่เราคิดได้เองเนี่ยนะทฤษฎีของเราเองนั่นแหละคือวิธีการสร้างทุกข์เพราะฉะนั้น พยายามระลึกถึงพระรัตนตรายให้ให้มีอยู่ในใจเนี่ยบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะบ่อยได้ระลึกถึงพระรัตนตรายเถอเนี่ยนะถ้าระลึกถึงพระรัตนตรายเนี่ยคำว่าระลึกถึงไม่ใช่ท่องพุทโธทำโมสังโฆพุทโธทมโมสังโฆไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าหมายถึงว่าระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วเข้าใจว่าพุทโธคืออะไรระลึกถึงธทำโมแล้วก็พระธรรมเนี่ยแปลว่าอะไรสังโฆเนี่ยนะมูสงคืออะไร มันถ้าใช้อย่างย่อๆบอกว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยนะหมายถึงระลึกถึงการตรัสรู้อริยศาสตร์ว่าการตรัสรู้อริยศาสตร์ดีแท้ พ, ทพุทธสุโภทิตาความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าก็คือระลึกถึงความปัญญาคุณของพระองค์ที่ตรัสรู้อริยศาสตร์ธรรมโมก็คือทำรักษาผู้ปฏิบัติเนี่ยนะรักษาไม่ให้ตกตกไปในอบายเป็นต้น